กา ร, ช, ราชําระจิตให้ผ่องใสในวันหนึ่งวันหนึ่งเราต้องชําระจิตของเราที่ไม่ผ่องใสที่ไม่สะอาดเราต้องชําระนิ่งเข้าไปกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางดับยาไปหาละเอียดดับยาไปหาละเอียดดับยาไปหาละเอียดซ้ายละเอียดซ้ายละเอียดซ้ายละเอียดนอกจากเราชําระวิถีจิตนี้แล้ว ในใจต้องกำหนดทำอยู่ในใจหนึ่ ง, งเรียกว่าปัญญ า, ญญาคือปัญญาพิจารณาที่คิดพิจารณากิเลสพิจารณาความชั่วนั้นทุกสุขเกิดดับนั่นแหละการสร้างปัญญาปัญญาคือองค์พิจารณานั่นเองเมื่อพุทธการพระอรหันต์จะสำเร็จได้บางองค์เห็นฟันสีกาที่อมยิ้ม ท่านพิจารณาถึงฟันนั้นพิจารณาการเกิดดับก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้มีพระอรหันต์องค์หนึ่งนั่งอยู่ในกุฏิมีศีกาไปตักน้ำในบอกข้างกุฏิศีกานั้นร้องเพลงเกี่ยวกับทุกข์ในใจท่านเอาเสียงเพลงนั้นมาพิจารณาในที่สุดท่านก็สามารถสำเร็จพระอรหันต์ได้อาหารก็เหมือนกัน ตาที่เราเห็นรูปก็เหมือนกันใจที่เรานึกคิดที่มีทุกข์ก็เหมือนกันถ้าเราหมั่นไปพิจารณาไตรตรองแล้วปัญญาก็เกิดนี่แหละหนึ่งให้มีธรรมะประจําใจนั่นคือปัญญาพิจารณามหาพิจารณาสองสัจจะเที่ยงธรรมสัจจะที่ชั้นต้นคือตัวเที่ยงธรรมเจี่ยงพวก หรือตัวประพฤตินั่นเองชั้นสูงที่สัจจะไม่ใช่อย่างนี้แต่เรียกอริยสัจสี่เราต้องรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรคือตัวสมุไทยอะไรคือตัวดับทุกอะไรคือตัวมัคนั่นคืออริยสัจสี่สตัวจากะคําว่าตัวจากะหรือตัวเสียสลักเราทําบุญให้ทานให้บุคคลผู้อื่น หรือสัมนาชีความนั่นเป็นตัวจากะเบื้องตน้นตัวจากาชั้นสูงนั่นคือให้สละทิ้งไปตัวกิเลสตัวความชั่วที่ติดอยู่ในตัวตนของเรานั่นเองสี่สให้มีมมมอุปสมามะคือตัวสงบระงับระ ง, งับถึงตัวกิเลสจิตที่ไม่มีกิเลสปรุงแต่รงระงับ ก, กายทางกายของเราไม่ไปสร้างความชั่ว ระงับถึงวัตีสังขารคือระงับถึงทั้งกายวาจาและใจข้อสําคัญที่สุดคือใจเรียกว่าจิตของเราจิตของเรามีสงบระงับแล้วกายของเราก็เหมือนกันจิตของเรามีความละเอียดพอจิตของเราหลุดพ้นกิเลสหรือแยกภายเอากิเลสทิ้งได้ทั้งกายของเราจะเกิดโสรจจะขึ้นมาคือมีอาการสงบและเฉีเยบ เราจะสังเกตเห็นพระที่มีวินัยที่ถือเคร่งวินัยที่อยู่ในสีนสองร้อยยี่สิบเจ็ดโดยไม่ต้องอาบัดอาบัดเล็กๆน้อยๆมีแต่พระอาหารหันต์นั้นจะมีอาการสงบและงเงีย่ยยอ่อนชอ้อยองค์ที่สงบสงเงีย่ยยนั่นแหละเรียกว่าโสรัจักรในชาตินี้ถ้าใครยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นแสงประทีปของธรรมะ พยายามพิจารณาใช้องค์ของสมาธินี่แหละพิจารณากิเลสภายในตัวของเราให้มีธรรมะประจำใจทั้งสี่ข้อนี้คือหนึ่งให้มีปัญญาเกิดจากองค์พิจารณาสองให้มีสัจจะชั้นต้นเรียกว่าเที่ยงธรรมชั้นสูงเรียกว่าอริย ส, สัจสีทุกสมุทยัยนิโรธมรรคสให้มีจากะ เสถะชั้นต้นคือการให้ทานชั้นสูงให้รู้ถึงอญญร 4, ิยสัจสี่ทำทานในรัตนเจ็สให้มีอุปัสมาสงบระ ง, งับกาของเราก็สงบสงเสงียมกจของเราก็สามารถระ ง, งับถึงตัวกิเลสตัณหาเราพยายามพิจารณาเช่นนี้เข้าไปจิตของเราก็จะค่อยๆพัฒนาจากหยาบไปหาละเอียด วันละเล็กวันละน้อยมักต้องผูนผลต้องพร้อมกิเลสนั้นเสมือนกองไฟรวมยอดขึ้นมามีโลภโทสะโมหะกองไฟนี่แหละชาติก่อนเราเคยสร้างสมไว้ฉะนั้นในชาตินี้เราจึงไปรับกรรมมีกรรมที่ไม่สมบูรณ์เหมือนกับผู้อื่นแต่จะพูดว่ามีกรรมก็ไม่จริง เราก็มีกรรมดีที่สั่งสมมาด้วยถ้าไม่มีก็ไม่มีโอกาสมานั่งหลับตาทำสมาธิจิตแต่ที่เรามีโรคภัยไข้เจ็บหรือชะตาชีวิตที่ตกต่าไม่ร่มรวยเหมือนอย่างเขาก็เพราะว่าเรามีกรรมชั่วกรรมดีมันหย่อนบรญยานพวกกรรมทั้งหลายเหล่านี้แหละในอดีตเป็นเหตุทำให้ชาตินี้เกิดผลคนในชาตินี้ก็กลายเป็นเหตุอีกที ท่งผลไปในชาติหน้าชาติหน้าผลก็กลายเป็นเหตุเ ป, เป็นผลอีกทีทไม่มีมสิ้น ส, สุดุดเรียกว่าเหตุในเหตุวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้แต่ในชาตินี้เราพยายามตัดทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกับเราไปถางญ้าถางปากวันละคืนวัละศอกต่อไปแย้หรือปากก็เตี้ยนแล้วขุดรากถองโคนกันทีเดียว นี่คือข้อสำคัญที่หลวงพ่อสอนให้ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานมีคุณค่าอนเนกอันนัน์หากแม้ชาตินี้เรายังไม่สามารถสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้แล้วใส่แต่ก็สร้างวิถีจิตของเราค่อยหลุดพ้นไปคือบ่ ม, มให้อินทรีย์ค่อยๆแก่กล้าอินทรีย์ที่แก่กล้านี่แหละ เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่จะจุนเจอถึงสมาธิจิตแล้วกิเลสตัณหาอุปาทานอวิชชาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเราก็สามารถกลับมันได้ในที่สุดไม่ต้องกลัวไม่ได้ไม่เป็นจงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอผลจะเกิดสัปวันไม่ต้องสงสัย